แสดงออกนะด้วย อ, องคุณสองประการนี้คือปัญญาและกรุณาเวลาเราอ่านหรือสวดมนต์ทำวัดเนี่ยเราจะสังเกตว่าเนี่ยจะมีคำสองคำที่คู่กันนะปัญญาคุณและกรุณาคุณองคุณสองประการนี้เนี่ยเป็นเสมือนสองด้านของเหรียญเดียวกันนะ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 ลางง่า ย, ย่างความทุกเนี่ยมันอยู่ที่ที่ความยึดติดนะในสุขแล้วก็ในทุก์ในเสรเสริญแล้วก็ในนินทาในโลกธรรมทั้งฝ่ายวกและฝ่ายลกแน่นอนคนเราต้องเพลินปู้ดูชนเราก็เพลินแต่ถ้าเรารู้เท่าทันนะเราก็วางมันได้เมื่อมีคนตำหนิ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 กลับมามองตัวก็ไม่มีตนนะิจริงมันไม่มีมันไม่มีตนตั้งแต่แรกนะแต่ไปปรุงก็มันมีเงเหมือนเพีมันไม่มีจริงแต่ว่าเราไปปรุงก็มันมีเวลาเราอยู่คนเดียวล้าก็คิดเป็นตัวเป็นตาว่ามีจริงมันไม่มีโดยมันไม่มีโดยโดยสภาวะวิสัยแต่มันมีโดยอัตวิสัยมันมีโดยความคิดตัวตนก็เช่นเดียวกัน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 ในใจของเราตัางหาความยภายในของเ า, งาที่เป็นละง่ายขอยงความทุกข์และเราสามารถที่จะทำให้ตัวตวนเบาบางหรือว่าปล่อยวางจากความยึดติดในตัวตวนเป็นลำดับจนกระทั่งสามารถที่จ ะ, ะเปิดใจให้เกิดกรุณานะกับผู้อื่นได้โดยไม่มีขีดจำกัดโดยไม่มีการปยึดติดกับสมมุติใดๆ ก, ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะแต่ถ้า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 เพราะนั่นแต่ว่าหัวใจยังทำงานเอวัอยวะต่างายังทำงานก็ก็สามารถเปลี่ยนสายอาวัยวะได้หมอทำการเช็คครั้งสุดท้ายเอามีเด็กกรีดขูดไปที่เท้าของของลูกบอกว่าคราวนี้ขยนะับนและ24ชั่วโมงต่อมาก็ฟื้นและเขาบอกว่า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 ถ้าไม่รู้ตัวนะก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าไม่รู้ฐานอัตราเนี่ยไม่รู้ทันมาร น, นะก็จะเป็นอย่างนี้คือมีอาการมันก็เด็กที่ลากกระป๋องคนในซอยก็บ่นลำคาญแต่เจ้าตัวนึกว่าเพราะนาะเวลาเราเราชอบคุยชอบเบ่งนะเราคิดว่าคุณเ่งเขาปลื้มกับเราแต่ที่จริงไม่นะหรือแม้กระทั่งเวลาเราคุยเรื่องความดีของเราว่าฉันทําความดีของฉันทํำความดีอย่างนี้ฉันไปเพราะฉันไปว่าฉันไปไปฏิบัติธรรม เราสรับอัตตาเป็นองัวเวลาเราพูดนะ้นแต่คนที่อยู่รอบข้างนี้เขาเขาจะรู้สึกเป็นทุกข์นะฮะที่มันต้องนังสร้างฟังเรานี่เพราะลืมตัวนะลืมตัวมันก็เลยมีตนไงฮะแล้วก็ยึดตนเข้าไปใหญ่แต่ถ้าเรานึกถึงคนอื่นมากขึ้นในตัวตนก็จะเบาจะบางลงไปนะเราต้ามาคิดว่าใช้เวลาพอสมควรและะ้วก็คงขอยุติแต่เพียงเท่านี้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 So bad. Yeah.